ท่านสาธุชน <c oughs> ผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาเท อ, อกาสแสดงธรรมด้วยการบรรยายอย่างธรรมดาเพื่อสเร็จประโยชน์โดยสะดวก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี่ท่านทั้งหลายมา <c oughs> นั่งกันอยู่ใน สถานที่นี้ในลักษณะเช่นนี้ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายทำสิ่งที่เรียกกันว่าทัศนาจร <c oughs> ขอให้จำไว้ในความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราได้มานั่งกันอยู่กลางดิน โอกาสที่จะนั่งกลางดินอย่างนี้มีน้อยพอเมื่อได้นั่งกลางดินก็มักจะโกรธขัดใจเพราะว่าไม่สมเกียรติเป็นต้นนี่มันคนโง่เพราะว่าหากลางดินนั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่สูงสุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูตรกลางดิน เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านจัดสรุก็กลางดินเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสานาาาานอนแสดงธรรมตัวๆไปก็ส่วนมากที่สุดกลางดินจนจะกล่าวได้ว่าพระใตปิฎกทั้งหลายมันเกิดขึ้นกลางดินแสดงที่วัดก็กลางดินแสดงที่ไหนก็กลางดินระหว่างเดินทางก็กลางดินแลที่อยู่ของพระพุทธเจ้าก็พื้นดิน แล้วในที่สุดท่า น, านก็นนิพพานคือตายเนะี่ยกลางดินมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่กลางดินฉ้นเราควรจะพอใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าแผ่นดินให้มันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อได้เป็นออย่างนี้คือมานั่งกันอย่างนี้ก็ขอให้จําใส่ใจไว้ไม่ลืมเสียือว่าคืนนี้เราได้มานั่งกันกลางดิน เป็นที่จะลึกแก่พระพุท ธ, ธเจ้า <c oughs> ผู้ประสูตรกลางดินจตะะุร้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดิน <c oughs> ถ้าทาใจได้อย่างนี้มันจะง่ายหรือมันจะใกล้ต่อธรรมะอย่างยิ่งเพราะมันไม่ทะเยอทยาน เธ อ, อสิ่งทีออ่นิยมกันว่าสวยงามรู้ร้ามีเกียรติล้วนแต่เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลส ท, ทั้งนั้นแหละเ <c oughs> มื่อนั่งกลางดินอย่างนี้มันไม่มีโอกาสที่จะส่งเสริมกิเลสเ <c oughs> มือ่อไปแสวงหาที่สวยงามจำรานกาย สำราญใจอะไรต่างๆนั่นนะ่ะมันส่งเสริมกิเลสควรจะพยายามอยู่กันให้ต่ำๆนัก <c oughs> จิตใจมันจะได้เป็นไปในทางสูงถ้าเป็นอยู่ทางกายมันสูงของกิเลสแล้วใจิตใจมันก็ลงต่ำ นั่นช่วยกันระมัดระวังให้ดีให้มีการกระทําชนิดที่จิตใจสูงไว้เสมอไปไม่ว่าทําอะไร <c oughs> ทําหน้าที่ทุกอย่างอยู่เป็นประจําว่าการทำมาหากินการเป็นการอยู่การสแสวงหาทรัพย์การเก็บอะไรต่างๆก็จะดํารงชีวิตเนี่ยส่วนที่ดํารงชีวิตนั้นก็เป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า ต่ำหรือสันโดดหรือพอดีอย่าให้มันเกินพอดีอะไรอะไรอย่าให้มันเกินพอดีทุกอย่างจะหามาก็เกินพอดีจะมีว่าจะเก็บรักษาก็อย่าเกินพอดีมันจะถูกต้องคือมันไม่เป็นทุกข์ กินเก็บแต่พอดีนี่มันจะมีเหลือสำหรับช่วยผู้อื่นบ้างแล้วมันก็ลดกิเลสลง <c oughs> ถ้าเอาเกินพอดีมันไม่มีวันพอมันก็กินหมดแล้วมันก็ส่งเสริมกิเลสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> มันกินเก็บไม่พ อ, อมันก็ต้องเดือดร้อนฉั้นถ้าเราเป็นอยู่ชนิดที่พอดีคือไม่เกินไม่เป็นส่วนเกินแล้วก็ดีมาก มันต้องตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพอดีคือมัชิมาปฏิปทานะแล้วว่าพอดีก็แปลว่าอยู่ตรงกลางการดำเนินชีวิตที่พอดีที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นพุทธศาสนาเป็นธรรมะ อยู่ในตัวมันเองนี่กวปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นแหละเป็นตัวธรรมะอยู่ในตัวมันเองแล้วเราก็จะได้ชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านสัตว่า อัตาถีปาอัตตะสนน า, าอนัญญัสนน า, าจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยธรมมทีปาธรรมสนนาอนัญญัสนนาจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย <c oughs> นี่หมายความว่ามีตนเป็นที่พึ่งนะคือมีธรรมเป็นที่พึ่ง ถ้าจะมีตนเป็นทีพึ่งต้องทําให้ให้ตนมีธรรมะแล้วก็มีมีธรรมะเป็นทีพึ่งเพราะว่าเรามันเป็นทุกข์ดยตนเองมันก็ต้องช่วยตนเองด้วยตนเองแล้วก็ปฏิบัติธรรมะให้ตนเองมันช่วยตัวเองได้ ดังนั้นคำว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งกับคำว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งนี่มันเรื่องเดียวกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่คนไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะคำว่าธรรมะนั้นมันเป็นคำพิเศษแปลกประหลาดกว้างขวางครับ งามหรือครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่มิใช่ธรรมะอนะ่าขอช่วยจําไว้ด้วยมันจะสะดวกในการศึกษาธรรมะในอนาคตว่าธรรมะคือธรรมชาติคือตัวธรรมชาติทั้งหลายลธรรมะคือกฎของธรรมชาติทั้งหลาย ธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั้นๆแ้ธรรมะคือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่อ่านั่นๆคาว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยมันก็มีธรรมะในความหมายที่สามว่าธรรมะคือการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมชาติมีกฎของธรรมชาติตายตัวว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนั้นแล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างนั้นทําอย่างนั้นผลจะเกิดขึ้นอย่างนั้น <C CROSSTALK. S 1> ส่วนที่มนุษย์ต้องการก็เรียกว่าดีส่วนที่มนุษย์ไม่ควรจะต้องการก็เรียกว่าชั่วที่เราก็ประพฤติสวนที่มนุษย์ควรจะต้องการนี่ปฏิบัติธรรมะที่มนุษย์ควรจะปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ นันคือธรรมะในความหมายนี้ที่ว่าจะเป็นที่พึ่งแกเราได้มีตนเป็นที่พึ่งก็คือมีธรรมะเป็นที่พึ่งหมายความอย่างนี้ต้องปฏิบัติธรรมะที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์รู้เสีชัดเห็นเสีชัดมองให้เห็นชัดว่าไอ ห, หน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์ หน้าที่ของมนุษย์คือธรรมะทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์นั่นคือปฏิบัติธรรมะของมนุษย์นั่นเองเพื่อมนุษย์แล้วก็โดยมนุษย์คนนั่นแหละ <c oughs> นี่เรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งนี่พุทธศาสนาถ้ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งก็เป็นไสยศาสตร์แต่มีตนเป็นที่พึ่งก็เป็นพุทธศาสตร์ <c oughs> ที่ว่าเรามีพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งก็เพราะเราเองต้องปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักของพระธรรมตามตัวอย่างของประสงค์อก็เรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้เสมอให้มีตนเป็นที่พึ่งอที่เรามันพู ด, พดกว่าพุทธังสนังกชามันนี่เราตั้งขึ้นเองเราตั้งขึ้นเองเราพูดเองตามความรู้สึกของเรา พระพุทธเจ้าไม่เคยสัตประโยคอย่างนี้คือประโยคน์ที่พึ่งผู้อื่นนะท่านไม่ตรัตท่านสัตแต่ประโยคน์ที่พึ่งตนเองแล้วท่านก็บอกเจเลยว่าพึ่งตนเองนั่นคือการปฏิบัติธรรมะมีธรรมะชนิดที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ดังนั้นทุกคนจงทําหน้าที่ของมนุษย์ที่เหมาะสมสําหรับตนให้ดีที่สุดเป็นเด็กๆ ก, ก็ทําหน้าที่ของเด็กๆ ให้ดีที่สุดเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนคนแก่คนเฒ่าก็ทาหน้าที่ของตนใน้ดีที่สุดนี่เรียกว่าปฏิบัติธรร ม, มระธรรมะแปลว่ า, น า, า, า, านหน้าที่ของมนุษย์อย่างนี้ตามกฎของธรรมชาติถ้ามันไม่ปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาติมันจะวินาศเลย <c oughs> ลองดู มันไม่กินอาหารมันไม่ถ่ายจาระประ ส, สาว่ามันไม่บริหารร่างกายถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันก็ตายแล้วมันอยู่ไม่ได้ <c oughs> ทุกอย่างจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติตามที่ควรจะทำมันมีอยู่กี่อย่างกี่อย่างก็ทำให้มันครบทุกอย่างเถอะเช่นการทำมาหากิน <c oughs> ก็อย่างนึงแล้วและการกิน ก็อย่างแล้วการเก็บการใช้การก็มีเป็นอย่างๆอย่างๆไปจงจะทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็จะอยู่รอดได้คือมีชีวิตรอดอยู่ได้พอสุขสบายทีนี้ขั้นสบายแล้วหน้าที่ส่วนนี้หมดหมดแล้วหน้าที่ขั้นต้นขั้นต่ำนี่หมดแล้วคือว่ารอดชีวิตอยู่ได้เพราะปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ที่คนเลื่อนขึ้นไปถึงหน้าที่อันดับสองชั้นสองคือปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปดียิ่งขึ้นไปตามที่มนุษย์มันจะดีได้จนกระทั่งบันลุมาผลนิพพานเนี่ยทีนี้จบจริงสุดจบจริงตอนนี้นนเราจึงแบ่งหน้าที่เอของมนุษย์เป็นสองระดับคือมนุษย์คือคือหน้าที่ที่ให้มนุษย์รอดอยู่ได้นี่ระดับหนึ่ง แล้วเมื่อรอดอยู่ได้แล้วให้มันดีถึงที่สุดนี่อีกระดับหนึ่งเป็นสองระดับ <c oughs> ใครอยู่ในตอนไหนก็จงกระทําให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามระดับของตนตามที่เป็นอยู่แต่เมื่อได้ทําหน้าที่แล้วมันก็ควรจะพอใจเพราะว่าหน้าที่นั่นคือธรรมะธรรมะนั่นคือหน้าที่เมื่อได้ทําหน้าที่ของตนแล้วควรจะพอใจว่า เรามันเป็นคนมีธรรมะพูดภาษาโลกๆ ก, ก็ว่าเรามันเป็นคนดีเรามันเป็นคนมีอะไรดีคือปฏิบัติธรรมะเมื่อรู้สึกว่าเรามีอะไรดีคือมีธรรมะ <c oughs> ก็พอใจ <c oughs> ถ้าพอใจแล้วก็สบายใจเพราะพอใจนะั่นคือจึงสบายใจเพราะสะบายใจมันก็เป็นสุข มันเป็นความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อปฏิบัติหน้าที่จงพอใจจงสบายใจจงเป็นสุขเนี่ยคือปฏิบัติธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งกระตนแต่ดีนี้คนมันโง่มันเหลือโง่มันแสนจะโง่มันไม่รู้ว่าเมื่อทำหน้าที่นั่นนะควรจะพอใจแหละเป็นสุขมันก็เลยทำหน้าที่หาเงินไว้ซื้อเล้ากิน ทำหน้าที่ได้เงินรวบรวมเงินแล้วไปหาสถานเริงรงกามารมทั้งหลายไปเป็นทาสของกิเลสไปหาความเพลิดเพลินที่เป็นทาสของกิเลสมันก็เลยไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงมันได้รับความสุขที่หลอกลวงคือความเพลิดเพลินนั้นหลอกลวง <c oughs> เพราะความสุขที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงอ่มันเกิดเมื่อเราได้ทําหน้าที่ของเรา พอใจว่าเออได้ปฏิบัติธรรมะนี่หน้าที่คือธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็พอใจพอใจมันก็สบายใจมันก็เป็นสุขนั่นแหละความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงนั้นควรจะสังเกตให้เห็นอย่างยิ่งว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ไม่ต้องใช้สตางเลยใช่ไหมไม่ต้องเสียงเงินเลยเพราะมันเป็นสุขอยู่เมื่อทํางานเมื่อทําหน้าที่ถ้าชาวนาก็ไถนาอยู่ชาวสวนก็ทํา ทำสวนอยู่คนค่าขายกับฆ่าขายอยู่คนทีบสามล่อกับทีบสามล่ออยู่คนล่างท่อถนอนกับล่างท่อถนอนอยู่เมื่อทำหน้าที่ข้องตนข้องตนอยู่นั่นแหละคือปฏิบัติธรรมะแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขอยู่ที่ตรงนั้นนนี่นนสุขบริสุทธิ์ไม่หลอกลวงแ ล, ไง ะ, งลงะไม่ต้องเสียสะดางเลยความสุขที่แท้จริงอะจะไม่ต้องเสียสตางเลย พอเริ่มใช้สตางหรือต้องใช้สตางแล้วเริ่มเป็นสุขหลอกลวงพอใช้สตางมากเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นความสุขหลอกลวงมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นเพียงความเพลิดเพลินเท่านั้นมันไม่ใช่ความสุขการที่คนอุตสาห์ทางานหาเงินรวบรวมไว้แล้วเอาไปทะลุงกับเรื่องความเพลิดเพลินนั้นเงินมันก็หมดแ้่ก็ได้มาซึ่งความหลอกลวงความสุขที่หลอกลวงเป็นเพียงความเพลิดเพลินเท่านั้น อยากจะให้รู้จักแยกกันออกให้ชัดบนสองฝ่ายว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินซื้อหามาความสุขที่หลอกลวงหรือไม่ใช่ความสุขนั้นยิ่งต้องใช้เงินมากคือความเพลิดเพลินเพื่อกิเลสส่งเสริมกิเลสมันเป็นความเพลิดเพลินของกิเลสเป็นความสุขของกิเลสเราเรียกว่าความสุขที่หลอกลวง เมื่อเราทำการงานเงือท่วมตัวอยู่นั่นแหะด้วยดีเถอะควรจะพอใจแล้วเป็นสุขที่นั่นจะเป็นคนชั้นต่ำสุดจะต้องกวาดถนนหรือทำอะไรก็ตามถ้ามันมีความคิดถูกต้องมีการศึกษาธรรมะถูกต้องรู้ธรรมะจริงมันก็รู้โอ้นี่คือการปฏิบัติธรรมะแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขไม่ต้องใช้เงินเงินมันก็เหลือสิ มันจึงพูดได้อีกชั้นหนึ่งว่าถ้าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วก็ให้เงินเหลือด้วย mm. <laughs> เงินเหลือมากขึ้นมากขึ้นด้วยแต่ <c oughs> ความสุขที่หลอกลวงต้องใช้เงินมากจนไม่พอจนหมดจนต้องไปทำทุจริตไปกี้ไปปล้นไปทำคอร์รัปชันพวกที่เป็นข้าราชาการทำคอร์รัปชันก็พร้อมไปหลงในความเดเพลินชนิดนี้ทั้งนั้นน่ะ เนี่ยเรียกว่าไอ้ความสุขที่หลอกลวงอ่ะความเพลิดเพลินันมันมั น, ม, นมันทำเงินหมดเงินไม่พอใช้จนต้องกลายเป็นคนคดโกงทำคอร์รัปชันขอ้ศึกษาสังเกตตอนี้กันให้ดีๆมันควรจะรู้กันแล้วที่แล้วมาไม่ไม่รู้ก็ตามใจที่แล้วมาไม่รู้ก็ตามใจ เดี๋ยวนี้มันควรจะรู้กันแล้วทำอะไรอย่างนั้นมันก็คือไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่ใช่พุทธบริษัทเป็นคนโง่พุทธะเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธบริษัทแล้วบริษัทของบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคําว่าพุทธะพุทธะภาษาบาลีมันแปลว่าตื่นคือตื่นจากนอนตื่นจากหลับ ถ้าหลับไม่มีพุทธะถ้าตื่นจากหลับก็เป็นพุทธะเพราะคาพุทธะมันแปลว่าตื่นขึ้นมาจากหลับเอมันก็รู้สิเพามันตื่นอยู่นี่มันไม่หลับมันก็รู้เมื่อมันรู้มันก็ทำประพฤติกระทําถูกต้องมันก็เบิกบานอพุทธะนี่ตื่นนอนรู้ถูกต้องแล้วก็ทําแล้วก็เบิกบานมีผลดีนี่พุทธะอย่างนี้ถ้ามันโง่ มันไม่รู้เรื่องนี่มันก็เป็นไม่ใช่พุทธะไม่ใช่พุทธบริษัทอมันเป็นอะไรไปก็ไม่รู้มันเรียกยากแต่มันไม่มีความเป็นพุทธบริษัทอ่าถ้าไม่ไม่ไม่รู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงคอยพุทธบริษัททั้งหลายมีความรู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเจ้ ท, ทีเธอว่าความสุขสที่แท้จริงนั้นไม่ต้องใช้เงินและทําให้เงินเหลือด้วย ความสุขที่หลอกลวงนั่นเท่าไรเท่าไรเงินก็ไม่พอความสุขที่แท้จริงนั่นอ่ะมันหยุดมันเย็นมันไม่โลดเต้นมันไม่เหน็ดเหนื่อยมันไม่สั่นระรัวส่วนความสุขทางการารมณ์เป็นต้นนั่นอ่ะมันกระโดดโลดเต้นมันเหน็ดเหนื่อยมันสั่นระรัวมันร้อนมันกระวนกระวายนะความสุขหลอกลวงเป็นอย่างนั้นความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันควรจะได้รับความสุขที่แท้จริงเมื่อความสุขไม่แท้จริงมันก็รู้ไม่ได้เอตื่นไม่ได้เบิกบานไม่ได้มันหลับตลอดเวลาคือมันโง่มันเป็นอวิชชาอยู่ตลอดเวลาเริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจเริ่มมองเห็นธรรมะชนิดนี้ซึ่งเป็นธรรมะอันแท้จริง ที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ตามพระบาลีที่ว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งดังนี้ <c oughs> ถ้าเรามีความทุกข์ก็ต้องช่วยตนเองต้องแก้ไขตนเองเอาธรรมะเข้ามาแ้วความทุกข์ก็หายไปเรียกว่าทำที่พึ่งแก่ตนเองโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ คือการประพฤติกระทําเช่นนั้นนะเรียกว่าปฏิบัติธรรมะคอยทุกคนตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะในหน้าที่การงานของตนอเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่มีธรรมะของเด็กเป็นลูกก็มีธรรมะของลูกเป็นพ่อแม่ก็มีธรรมะของพ่อแม่เป็นภรรยาสามีก็มีธรรมะของภรรยาสามี มีหน้าที่ต่างๆต่างๆกันอย่างไรก็ต้องมีทำให้ครอบไปถูกต้องตามหน้าที่นั้นๆนั่นแหะคือปฏิบัติธรรมะอาตมากล่าวพูดเราไม่ต้องมาวัดก็ได้การปฏิบัติธรรมะเราไม่ต้องมาวัดก็ได้มีหน้าที่การงานอยู่ที่ไหนหก็มีธรรมะที่นั่นแหละชาวนาก็มีธรรมะกลางนาแชาวสวนก็มีธรรมะกลางสวน อพ่อข้าอเข้าราชการก็มีธรรมะอยู่ที่โต๊ะทํางานนั่นแหละทำมันถีบสามรอมันก็มีธรรมะอยู่กลางถนนนั่นแหละแล้วมันขว้าถนนล่างท่อตกระปรกมันก็มีธรรมะอยู่ที่ท่อถนนนั่นแหละเนยมีธรรมะก็คือมีหน้าที่มีหน้าที่ก็คือมีธรรมะถ้าจริงคือจิตใจมันรู้จริงมันก็จะพอใจทันที ว, ว่านี่มันมีธรรมะมันเป็นธรรมะ พอพอใจมันก็เป็นสุขทันทีด้วยเหมือนกัน <c oughs> ทุกคนคงจะมองเห็นได้เองว่าความสุขนั่นเกิดมาจากความพอใจเสมอไปนะไม่ว่าเรื่องอะไร <c oughs> ความสุขต้องเกิดมาจากความพอใจหรือความพอใจจะต้องให้เกิดความสุขแก็ต้องด้วยดีว่าไอ้ความพอใจเนี่ยบางทีมันก็โง่พอใจอย่างโง่พอใจอย่างหลอกลวง มันก็ม like ีความสุขอย่างโง่มีความสุขอย่างหลอกลวงน่ะมันต้องได้ความพอใจอย่างถูกต้องอย่างดีอย่างไม่หลอกลวงไอ้ความสุขมันก็ไม่หลอกลวงทั้งคนก็ไปพอใจในความเลวความชั่วก็พอใจเอ้ามันก็เป็นสุขอย่างโง่อย่างหลอกลวงน่ะพวกโจรมันก็พอใจในหน้าที่ของโจรแล้วมันก็ได้รับผลเป็นความสุขอย่างหลอกลวงคือเป็นสุขไปไม่ได้น่ะอยู่วยความวาดหวาดระแวงใครอยู่เสมอ ือจะไปทําชั่วทําผิดอย่างอื่นแล้วพอใจมันก็ได้แล้วมันก็ได้ความสุขอย่างหลอกลวงแล้วมันก็ฆ่าตัวเองเราต้องมีความพอใจที่สะอาดที่ถูกต้องที่ควรจะพอใจอตามที่เขามีอยู่เป็นแบบฉบับแล้วใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทําหน้าที่อย่างนั้นเจ้นาทํานาเจ้าทวนทําสวนห่อฆ่าก็ฆ่าขายฆ่าราชการก็ทําหน้าที่ราชการอืมคนที่กรรมแต่งมาไม่ ไม่รำรวยไม่สูงก็เป็นคนรับใช้เป็นคนกรรมกรเป็นลูกจ้างเป็นอะไรต่อไปแต่ก็ค่อยพอใจในหน้าที่อันถูกต้องของตนไม่ต้องเสียใจว่าไอ้กรรมมันตกแตง่งไม้เราเป็นลูกจ้างเป็นคนจนเราก็ทำไปแล้วก็มีธรรมะเหมือนกันแล้วก็มีความสุขเท่ากันกับมหาเศรษฐี <c oughs> มหาเศรษฐีมันจะเป็นผู้พอใจและมีความสุขเท่าไร ถ้าคนยากจนก็รู้หนะ้าที่ของตนทำแล้วพอใจความพอใจนั่นจะเท่ากันจะได้รับความสุขเสมอกันนี่ถ้าจิตใจมันมันฉลาดจิตใจมันสว่างสวายอย่างนี้มันคือมันไม่ง่มันไม่ง่อย่างเดียวมันจะแก้ปัญหาได้เราจะมีความสุขเยือกเย็นสูงสุดได้แม้ว่าจะเป็นคนยากจน เมื่อเป็นคนยากจนแล้วก็พอใจในหน้าที่การงานทำงานเป็นของสุขเป็นสนุกไปมันก็ทำได้มากไม่เท่าไรมันก็พ้นจากความยากจนไม่ต้องสงสัยคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาตั้งตนได้ในชาตินี้โดยไม้คานอันเดียวมีอยู่ทั่วทั่วไปโดยเฉพาะคนจีนที่มาจากเมืองจีนนะยิ่งเก่งนัก โดยไมข่ขาดอันเดียวเมื่อแรกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นเมื่อตายลงเน่ะเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีจังหวัดนี้ก็มีอย่าออกชื่อกันเลยจังหวัดไหนก็มีที่ไหนก็มีเพราะว่าเขาพอใจในการงานสนุกสนานในการทำงานมันก็ทําได้มากทำได้มากมันก็เหลือกินเหลือใช้เนี่ยเพราะว่า เขาเป็นสุขในการงานเนองเขาไม่ต้องเอาเงินไปซื้อหาอาบายามุกกามารมรุ <c> ่ง <oughs> นี้โดยมากอะ่ะมันเอาเงินไปใช้ส่วนเกินกินเกินอยู่เกินแต่งเนื้อแต่งตัวเกินก็ะทั่งทัศนาจรเกินนี่ก็อยู่ในข้อนี้เข้า <c oughs> <c oughs> บอกตรงๆอ่ะใช้เงินไปคุ้มค่ายมบาลตีตายเลยอใครไปเที่ยวก็ดีกินอยู่บ้านก็ดีก็ดีแล้วใช้เงินไม่คุ้ ม, ม, <c oughs> มค่มาก็เงินสั่งทั้งเราก็ยมบาล <c oughs> โยงพยาบาลปีตายเลยระวังให้ดีนะใช้เงินในคุ้มค่าของเงินอย่าไปหวังเรื่องสนุกสนานเกินอะไรเกินและใช้เงินไม่คุ้มค่าของเงินนั้นนะคือบาปคือบาปอย่างยิ่งขอทุกคนรับผิดชอบตัวตนของตนเองอย่าใช้เงินชนิดที่ไม่คุ้มค่าอ้าวที่นี้จะพูดโดยกรงไมเกรงใจนะทัศนาจร คุณได้อะไรคุ้มค่าเงินที่ใช้ไปถ้าสมมติว่าได้ผลไม่คุ้มค่าเงินแล้วคุณต้องไปทะเลาะกับยมบาลมัน <c oughs> ต้องดูว่าเอาทัศนาจรมีทางได้อะไรบ้างทัศนาจรได้ความเพลิดเพลินนี่ก็อย่างแล้วหรือว่าทัศนาจรนี่เพื่อเที่ยวซื้อหาของเกิน ที่เชียงที่หาดยายาาใหญ่มันขายถูกแล้วก็ไปซื้อมามันกลายเป็นของเกินทังนั้นเรามาสังเกต ด, ดูทิมไปซื้ออกันมาเป็นของเกินที่ไม่จำเป็นจะต้องมีต้องใช้อย่างนั้นถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าทัศนาจรไปซื้อหาของเกินเรียก ว, ว่าทัศนาจรไปหาบุญแล้วก็ไปเที่ยวทำบุญไปทอดผ้าป่าไปก็ทภ า, ภาไปก็ได้บุญตามความเชื่อตามความยึดถือ หรือว่าทัศนาจรด้ยสุขภาพบรรณาไม้นนมเอาก็ได้ เ, <c oughs> เพราะว่าออกมาจากบ้านอย่างนี้มันไม่มีวิตกกังวลมันสบายแต่นี่ควรจะกลายเป็นความรู้เสียมากกว่านั่นเราจะพูดที่คำอย่างว่าทัศนาจรเพื่อความรู้ทัศนาจรเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไ ป, วไปก็จะเห็นรู้สึกในภายในว่าโอ้นี่มันจิตสบายส ก็พอออกจากบ้านเรือนมันไม่ยึดมัน่นถือมันอะไรเป็นของตนจิตว่างแล้วก็สาบายเที่ยวไปในทะเลห่อเหินไปบนอากาศหรือไปเที่ยวตามป่าตามเขาเนี่ยมันว่างจากความยึดถือว่าตัวตนของตนก็รู้สึกสาบายนี่อันนั้นคือธรรมะชั้นสูงเมื่อไม่ยึดมัน่นถือมันอะไรย่อมเป็นสุขอย่างยิ่งมานั่งอยู่ตรงนี้มันก็ต้องเป็นสุขกว่าที่บ้านนะ ทั้ที่บ้านเต็มบริภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ความยึดมั่นถือมันอะไรว่าเป็นตัวตนมันก็มีชีวิตหนักชีวิตทิ่แบกของหนักยึดถือของหนักแต่พอมาที่สวนโมกมานั่งตรงนี้โดยเฉพาะไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ตามมาเราก็มีจิตว่างมีจิตเกลี้ยงเปี้ยงจากไอ้ความยึดมั่นถือมันเราก็สบาย นี่คือเรียนธรรมะอย่างสูงสุดเรียนจากจิตใจไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านหนังสือก็ว่าอย่างนี้เหมือนกันแแต่ไม่รู้สึกเรียนจากจิตใจที่จะรู้สึกว่ามันนั่งอยู่เดินอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรเป็นของตนนะี่มันก็คือความที่จิตไม่ยึดถืออะไรเป็นของตนแล้วก็มีความ ส, สุขสุขที่ไม่ต้องใช้เงิน เป็นสุขปนในทางของพระนิพพานนี่เราจะค่าใจเรื่องของพระนิพพานได้ง่ายขึ้นแต่มัทัศนาจรแล้วมันนั่งอยู่ตรงนี้ในสภาพอย่างนี้แล้วคิดได้อย่างนี้ทัศนาจรนี่ก็กลายเป็นทัศนาจรเพื่อความรู้ธรรมะนี่ยมพบาลคงไม่เล่นงานหรือว่าไปเที่ยวตามที่ต่างๆจังหวัดต่างๆที่คุณจะไปเนะ แล้วก็ขอให้เป็นความรู้ไปเชอทางนั้นเลยเป็นทัศนาจรเพื่อความรู้เที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆแล้วเจอแล้วโอ้ยพวกนี้มันเป็นพวกบ้าส่วนเกินทางนั้นแหลไปที่บ้านไหนจังหวัดไหนเมืองไหนไปดูให้ดีสังเกตดูให้ดีจะพบแต่คนบ้าส่วนเกินทางนั้นแหล ะ, สะแสวงหาสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเป็นส่วนเกินกินเกินดีเกิ น, เ ล, นเล่นหัวเกินอะไรเกินไปเที่ยวพบคนที่ บ้าส่วนเกินทุกขนทุกแห่งที่ไปทัศนาจรถ้าอย่างนี้ทัศนาจร น, นี่จะกลาเป็นทัศนาจรเพื่อความรู้เพื่อรู้ธรรมะรู้ของจริงด้วยใจจริง <c oughs> ก็ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่เสียเงินเสียเวลารื้อเหน็ดเหนื่อยถ้าอย่างนี้ยมะบาลไม่เล่นงานคือเพราะว่าเราใช้เงินคุ้มค่าก็เงินหรือเกินค่ากับเงิน ไปทัศนาจร์แล้วได้รู้ได้เห็นได้รู้สึกอะจริงจงจังๆกันมากอย่างนี้ก็เป็นทัศนาจรเพื่อความรู้ <c oughs> ทบทวนด้วยดีทัศนาจรเพื่อความเพลิดเพลินอย่างโง่เคล้าโยมพบาลเอาตายทัศนาจรเพื่อบุญกุศลก็ <c oughs> ยังพอจะแก้ตัวได้นตาโยมพบาลก็เห็นด้วยอทัศนาจร์ ือเพื่อความรู้เนี่ยเพื่อความรู้นี่จะรอดตัวคือจะเจริญในทางจิตใจในทางธรรมะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเขาท่องเที่ยวไปเห็นความจริงในสิ่งทั้งปวงว่าเป็นอย่างไรเราเห็นความจริงในภายในของตนเองในจิตใจในส่วนลึกโอ้ว่าเมื่อไม่มีอะไรยึดมันม่นถือมั่นมันสบายอย่างนี้โว้ย รู้ธรรมะสูงสุดว่าเมื่อเมื่อไม่ยึดมันออม่นอะไรถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูของกูมันสบายอย่างนี้เว้ยพอออกจากบ้านพอ ร, รถเคลื่อนออกมาจากบ้านนั้นไอ้ความยึดถือตัวกูของกูมันเริ่มจางไปตามธรรมชาติเละไม่้นวแต่จะเป็นหาอะไรมายึดถือเขาใหม่แต่อย่างน้อยมันต้องตั้งต้นด้วยความจางออกแห่งความยึดถือแล้วก็เริ่มสบาย พอรถไฟเริ่มเคลื่อนจากสถานี้สิ่งที่ว่างมันเข้ามาแทนยึดมั่นถือถือมันตัวกูของกูมันละลายจางไปจางไปน่ศึกษาดีศึกษาดีจะรู้ธรรมะที่ตรงนั่นเองวหาความมายึดมั่นถือมันนี่ไม่มีความทุกข์เป็นความดับทุกข์การทัศนาจรเลยเป็นการได้ธรรมะศึกษาธรรมะรู้ธรรมะชนิดที่ เป็นสันทิฏฐิโกคือรู้ประจักษ์ด้วยจิตใจของตนเองนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกคำนี้สําคัญมากถ้าไม่มีหลักเป็นสันทิฏฐิโกแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะในพระพุทธศาสนาแต่เป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาแล้วต้องเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้สึกอยู่ด้วยจิตใจของตนว่ามันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไร การเรียนรู้ธรรมะต้องรู้โดยจิตใจของตนชนิดที่เป็นสันทิติโกจึงจะเป็นธรรมะแท้จริงของพระพุทธเจ้าโดยบทสวดที่เราสวดกันอยู่ทุกวันว่าสวากาโตพะคาวาตาธรรมโมธรรมะอันพระภูิมีพระภาคเจ้าได้จัดไว้ดีแล้วสันทิติโกมีลักษณะเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลา เอฮิปัสิโกดีจนเรียกใครมาดูได้โอปนยิโกเหมาะเหมาะที่จะมีไว้ในตนปัจจตังเวทิตาโพเป็นยูฮิมันแม่จะฉลาดอย่างไรก็รู้ได้เฉพาะตนนันคนวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนคือมันรู้แทนเห็นแทนกันไม่ได้ เหมือนกับว่าเรากินข้าวแล้วใช่คนอื่นอิ่มนี่มันทำไม่ได้ใครเห็นคนนั้นมันก็เห็นนี่คือธรรมะในพระพุทธศาสนาขอให้ได้มีโอกาสได้ดื่มธรรมะได้ชิมธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสุขที่แท้จริง ที่มันไม่หลอกลวงด้วยจิตใจของตนเองเมื่อเมื่อเราออกมาเสียจากความยึดมั่นถือมัน่นไหมมันสบายบอกไม่ถูกนี่ให้ได้ชิมอยู่ด้วยจิตใจรู้สึกอยู่ในใจว่ามันมีรสชาติสรรักเท่าไรเบาสบายอย่างไร <c oughs> อย่างว่านั่งตรงนี้มันเบาสบายอย่างไรก็ขอให้ได้ชิม ที่เราคิดกลับห่วนกลับไปไปเป็นห่วงบ้านกังวลบ้านในบ้านอืมันมันก็หมดอีกเหมือนกันแหละมันก็หมดอีกมันกลับไปสู่ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเป็นห่วงวิตกกังวละมีความทุกข์อะไรขึ้นมาอีกแล้วการที่มันไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยแท้จริงตัางหากนู่นมันจึงจะมีความสุขกันแท้จริงนี่ถ้าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นจนได้ก็เป็นพระอรหันต์แหละแล้วก็เป็นนิพพาน ยิ่งเป็นนิพพานอะ่ะยิ่งไม่ต้องใช้เงินพระพุทธเจ้าสัจววานิพพานเป็นของให้เปล่าไม่คิดเสีาตางไม่ต้องเอาเงินไปซื้อนิพพานะเป็นของให้เปล่าเราจะต้องรู้จักทำแล้วก็ทำโดยความสละสละไอ้ความยึดมั่นถือมั่นออกไปเสีย ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนซื้อหาสร้างนั่นสร้างนี่อันนั่นอันนี้มันมีแต่ความสละความยึดมัน่นถือมัน่นออกไปเสียมันก็มีความหลุดพ้นจากความยึดมัน่นถือมันม่นแล้วจิตก็เป็นอิสระจิตก็สบายจิตก็หยุดจิตก็เย็นจิตจิตก็ฮะไม่มีอะไรกระตุน้นให้มันเอไปวนกระวายแระสํารสาย นี่รู้เสียด้วยว่าคำว่านิพพานนิพพานนี่แปลว่าเย็นคือดับไปแห่งของร้อนแล้วก็มีผลคือเย็นนี่เรียกว่านิพพานกิเลสเป็นของร้อนราคะโทสะโมหะเป็นไฟเป็นของร้อนถ้าของร้อนนี่ดับลงมันก็เป็นของเย็นเย็นนี่เป็นนิพพานนิพพานนี่มีบุญคุณมากที่ช่วยรอดชีวิตอยู่ได้ ถ้าไฟมันติดอยู่ในใจเสมอมันตายหมดแล้วไม่ได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันลุกเป็นไฟอยู่ในใจิตใจตลอดเวลานะมันมันเป็นบ้าแล้วตายหมดแล้วไม่ได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้ <c oughs> นั่นเวลาที่ราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิดนั่นนะมันมีอยู่มันให้ระยะว่างแล้วเราก็พอจะตั้งตัวได้แล้วเราก็รอดชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้อง ตายถ้ากิเลสมันรบกวนอยู่เสมอโดยที่คนนั่นนะ่ะมันมันเก่งในทางที่จะหากิเลมสมาสุ้มตัวอยู่เสมอแต่ความรักความโกรธความเกลียดความขรุขระวิต ก, กังวลอะไรอาวอนันอยู่มากนะไม่เท่าไรมันจะเป็นโรคนอนไม่หลับไม่เท่าไรมันจะเป็นโรคประสาทไม่เท่าไรมันจะเป็นบ้าแล้วไม่เท่าไรมันจะตาย ระยะเวลาที่ว่างจากราคะโทสะโมหะพอสมควรมีอยู่พอสมควรนี่มันช่วยเรารอดชีวิตอยู่ได้สิ่งนั้นคือพระนิพพานระยะเวลาหรือภาวะที่มันปราศจากความรบกวนของราคะโทสะโมหนะนั่นคือนิพพานมันช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเราให้รอดอยู่ได้ ฉันเวลานอนหลับมันก็ไม่มีกิเลสรบกวนหรือแม่ตื่นตืนอยู่ถ้ามีติตความสลาดพอกิเลสก็ไม่รบกวนกิเลสรบกวนต่อเมื่อเราโง่นะ <c oughs> ความทุกข์เกิดเมื่อเราโงา่ในขณะแห่งขัดสะน <c oughs> ทุกคนรู้จักขัดสะใช่บ้างสหมคือการกระทบสิ่งต่างๆเข้ามากระทบจิต โดยผ่านทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางผิวหนังบ้างเดี๋ยวสวยงามทางตาเดี๋ยวไม่สวยงามทางตาเข้ามากระทบจิตเดี๋ยวก็ไพเราะหรือไม่ไพเราะทางหูเข้ามากระทบจิตเดี๋ยวก็หอมหรือเหม็นทางจมูกเข้ามากระทบจิตเดี๋ยวก็อร่อยหรือไม่อร่อยทางลิ้นเข้ามากระทบจิตแล้นิ่มนวลหยากระ่าง ทางกายเข้ามากระทบจิตนี่เรียกว่าไอของข้างนอกอะ่ะเข้ามาทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางผิวหนังทางกายเข้ามากระทบจิตนี่เรียกว่าผัสสะนจะใครมันโง่ตอนนี้โง่ตอนผัสสะคนนั้นจะต้องเป็นทุกข์ไม่ว่าในกรณีไหนถ้ามันมีสติ ม, มีปัญญาพอมันมีอะไรมากระทบมันไม่โง่จิตของมันก็ไม่ไม่ปรุงไปเป็นทุกข์ บางเรื่องมันก็ไม่ปรุงเลยก็มีตาเห็นรูปเฉยๆหูได้ฟังเสียงเฉยๆก็มีแต่บางกรณีนะมันไม่เห็นเฉยๆเพราะมันเห็นรูปที่มีความหมายเห็นรูปของเพศตรงกันข้ามฟังเสียงเพศตรงกันข้ามกลิ่นรสนะจากเพศตรงกันข้ามอย่างนี้มันไม่เฉยมันปรุงเมื่อมีภัสสะอย่างนี้มันปรุงให้เกิดเวทนาเป็นสุขเวทนามันก็ต้องการไปอย่างเป็นทุกขเวทนามันต้องการไปอย่างความต้องการนั้นเรียกว่าตัณหา <c oughs> พอมันเกิดความต้องการความอยากไปตามาเวทนานั้นนั้นแล้วมันเกิดความรู้สึกเลวร้ายอีกอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าอุปาทา น, นคือการเกิดความรู้สึ ก, กว่าตัวกูส้สิตัวกูสิเป็นผู้อยากอยากได้มาเป็นของกูนี่อุปาทานมายาแท้ๆมันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์เนยะ <c oughs> ความยึดมั่นถือมั่นน่ก็เรียกว่าอุปาทาน ยึดมันถือมันในสิ่งใดก็ตามจะเป็นทุกข์ก็สิ่งนั้นท่านสรุปเรียกว่ายึดมั่นในขันทั้งห้าพระสิ่งต่างๆมันรวมเป็นขันขันห้าถ้าเราจะไม่เรียกขันห้าล้วก็เรียกว่าสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ <c oughs> นั่นก็เป็นของหนักเป็นของร้อนเป็นของอะไผูกมัดรัดรึงเป็นของครอบงําให้มืดให้บอดมันร้อนอย่างนี้ไม่เป็นนิพพาน เราของโง่เมื่อมีผัสสะทุกคนจึงศึกษาไว้ดีอย่างโง่เมื่อมีผัสสะคือมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ฉลาดให้รู้อะไรอะไรอะไรอย่าไปโง่กับมันอย่าไปหลงรักหลงเกลียดกับมันจะจัดการอย่างไรก็จัดการไปแต่อย่าไปหลงรักหลงเกลียดกับมันแต่ว่าถ้ามันยังเป็นบุตุชนยังโง่ อ, อยู่มันช่วยไม่ได้แล้วมันต้องไปหลงรักหลงเกลียดเน่ย เมื่อไปหลงรักหรือหลงเกลียดก็ตามมันก็เกิดตัณหาอุปาทานแล้วมันก็ต้องได้มีความทุกข์สมน้ำหนางขนโง่อะไม่มีไม่มีใครช่วยได้อ่ะจะไปอ้อนวอนเทวดาเส้นสรวงเทวดาให้มาช่วยอย่าเป็นทุกข์มันไม่ได้หรอกที่กลุ้มใจแล้วไปให้หมอผีสางเทวดาช่วยอคุ้มครองอ้อนวอนนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะมันโง่ในภายในของมันเองมันต้องเกิดทุกข์ในภายในของมันเอง ให้เขาหลอกได้ถ้าไปเชื่อเขาก็อาจจะหายกลุ่มใจไปพาคหนึ่งเดียวก็มาอีกในที่สุดคนคนนี้ต้องเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าเพราะว่าไม่รู้ธรรมะ <c oughs> มันก็ไปถือที่พึ่งข้างนอกเป็นสัยศาสตร์ความทุกข์เกิดข้างในในลักษณะธรรมชาติานี่ยมันจะไปแก้ไขด้วยเรื่องภายนอกเป็นสัยศาสตร์เป็นเรื่องของคนโง่มันก็แก้มาอีกได้ คนเหล่านี้ก็จะต้องเป็นทุกข์ด้วยจะเสียเงินเปล่าๆด้วยแล้วก็จะได้รับผลเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าทรมานใจจนเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอะไรต่างๆนานาแม้แต่โรคมะเร็งจะใช้คำว่ายอย่างนี้เมื <c> ่อ <oughs> มีความผิดปกติเกิดขึ้นในจิตแล้วเป็นโรคอะไรก็ได้ เพราะว่าจิตผิดปกติแล้วระบบประสาทก็ผิดปกติร่างกายก็ผิดปกติมันก็ให้ช่องกับเชื้อโรคทุกชนิดติดตั้งขึ้นมาในร่างกายถ้าจิตคงที่เป็นปกตินะเป็นปกตินะมันก็ระบบประสาทก็ปกติระบบกายก็ปกติเลือดต่างๆเลือดลมต่างๆก็ปกติไม่มีโอกาสที่เชื้อโรคอะไรจะตั้งขึ้นมาในจิตใจได้ ฉันทำมาชั้นสูงจึงสอนเรื่องจิตปกติเมื่อปฏิบัติแล้วจิตมันปกติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติถึงที่สุดแล้วจิตจะปกติเปลี่ยนไม่ได้เมื่อจิตเปลี่ยนไม่ได้ทางสัพพะศาสตร์ทางกายทางอะไรก็เปลี่ยนไม่ได้อะถ้าจิตผิดปกตินั่นก็เปลี่ยนได้อย่างวิชาหมอเดี๋ยวนี้เขายิ่งเชื่อชัดไม่ไม่มีข้อสงสัยท่นานเพราะจิตมันผิดปกติอืม มันก็สร้างสารเคมีเป็นวัตถุขึ้นมาเป็นวัตถุทางเคมีขึ้นมาในเลือดอในระบบต่างๆในตอมแกลดต่างๆนี่มันเป็นได้ถึงอย่างนี้นะเพราะจิตผิดปกติรับรักก็ดีเกลียดก็ดีโกรธก็ดีกลัวกว็ดีอะไรอาวรณ์ก็ดีอิจฉาริศสยาก็าดีขึ้งหัวงกวดดีเรื่องเลวร้ายเหล่านั้นนะพอเกิดขึ้นในจิตนะร่างกายมันจะสร้างสารทางเคมีขึ้นมาในเลือดในเนื้อในระบบต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งล่ะเลือดมันก็เสียไปเดี๋ยวก็จะเป็นโรคกระเพาะทั้งคนที่เป็นเจ้าอารมณ์เป็นโรคกระเพาะทั้งนั้นแหละเพราะมันสร้างสารเลวร้ายขึ้นในโลหิตที่จะมาย่อยอาหารในกระเพาะไม่กี่วันก็เป็นโรคกระเพาะแล้วไม่รู้หายแล้วมันก็ตายด้วยโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นโรคร้ไร้อย่างอื่นก็ได้จนกระทั่งแม้ว่าเป็นโรคมะเร็ง เพราะว่าเลือดเนื้อของเขามันผิดปกติแล้วไม่มีความต่อท้านแล้วเชื่อโรคอะไรๆก็มันก็ตั้งต้องต้นขึ้นมาเหมือนกับก่อวอดขึ้นมาแล้วขยายออกไปเป็นโรคเต็มที่แล้วมันก็ต้องตายถ้าจิตปกติได้จริงไายตัวปกติเปลี่ยนไม่ได้ ร, ร่รางกายภาษาทปกติ ร, ร่างกายปกติเลือดเนื้ออะไรมันปกติไปหมดมันก็กินยาพิษก็ไปได้ มันกโยคีทั้งหลายมันกินยาพิษได้เพราะว่ายาพิษไปทำให้ผิดปกติแกจิตก็ไม่ได้แกประสาทก็ไม่ได้แกร่างกายก็ไม่ได้ยาพิษที่กินเข้าไปเลยเป็นหมันคือโยคีนั่นมันไม่ตายเพราะว่าโยคีนั่นมันมีจิตเข้มแข็งถึงขนาดที่ควบคุมความปกติของร่างกายไว้ได้ไม่ผิดปกติแม้แต่นิดเดียวและในทุกวิธีทาง คือร่างกายคือจิตก็ปกติระบบประสาทระหว่างกายกับจิตก็ปกติกายก็จิตปกติเลือเนื้อทุกอย่างทุกระบบในร่างกายมันปกตินี่เถ้อยาพิษก็เป็นหมันไปนี่เนี่ยดูอประโยชน์หรืออานิสงส์ของจิตปกติดิถ้าเรามีจิตปกติแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ได้ทั้นอุตสาห์ฝึกฝนศึกษาปฏิบัติระบบภาวนาที่ทําจิตให้ปกติกันไว่มากๆเลย ือมันจะมีอะไรรบกวนจิตได้ยากสบายดีไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อิจฉาดิษยาไม่วิตกกังวลไม่อาลัยอาวร์ไม่หวงไม่หึงอะไรนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งเลวร้ายทั้งนั้นทำให้จิตผิดปกติแล้วก็เป็นโรคจิตเั็นบ้าแล้วตายยมีธรรมะไม่อยู่อย่างนี้ต้องรู้เรื่องนี้ต้องศึกษาเรื่องนี้ต้องปฏิบัติเรื่องนี้คือทําให้มัน จิตปกติอยู่ตลอดไปอะไรมาทำให้รักก็ไม่รักอะไรมาทำให้โกรธก็ไม่โกรธอะไรมาทำให้เกลียดก็ไม่เกลียดอะไรมาทำให้กลัวก็ไม่กลัวจะมาทำอะไรก็ไม่ต้องตัง่ไม่ต้องวิจต ก, กังวนอลอะไรอาวอนอิจาริษยายกตัวอย่างอิจาริษยาใครลองมีก็สิอิจาริษยาใครอยู่อย่างยิ่งเป็นเจ้าเรือน ร่างกายจะสร้างสารเคมีขึ้นมาชนิดหนึ่งทําให้กระเพาะเป็นโรคกระเพาะแล้วทำไมทารายมันต้องตายจะได้นี่มันหายไปได้โดยบังเอิญโดยอะไรก็ตามมันจึงไม่ต้องเป็นถึงขนาดนั้นนันมีธรรมะให้มากอจะป้องกันความผิดปกติแห่งจิตสบายปกติไม่รบกวน้วยความร้อนของกิเลสมันก็เป็นนิพพานมากขึ้นเป็นนิพพานอยู่ เกือบจะตลอดเวลาเรียกว่ามีชีวิตเย็นมีชีวิตเย็นไม่ใช่ชีวิตร้อนมีชีวิตเย็นอยู่เกือบตลอดเวลาเรียกว่าเราอยู่กับนินนนพานนนพานชั่วขณะนิพพานน้อย้ยนิพพานชั่วขณะนิพพานที่คุ้มครองได้ไม่ต้อง เ, อเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแม ว, แมวไม่เห็นแมวตัวไหนเป็นโรคประสาท แต่คนเป็นโรคประสาทกันมากในหมู่ที่นั่งอยู่นี่อาจจะมีก็ได้บางคนเป็นโรคประสาทตั้งละอายแมวที่แมวไม่เป็นโรคประสาทนี่แมวตัวไหนก็ไม่ได้เป็นโรคประสาทไม่ต้องกินยานอนหลับมแมวแต่คนต้องกินยานอนหลับนี่มันน่าละอายแมวอย่างนี้นี่เพราะไม่มีธรรมะอย่างที่ว่าเพราะว่าไม่มีธรรมะที่ทำให้จิตผิดปกติ มันไปเที่ยวทัศนาจรที่ไหนก็คอยสังเกตดูแต่ว่าจะพบคนที่มันผิดปกติว่าว่าบอบองเงงเงืง้อถ้ามันเป็นโรคประสาทหรือมันทําอะไรที่ไม่น่าดูไม่น่านั่นอย่างเออลงเขียนอยู่เป็นข่าวในี่หน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆนั่นก็เหมือนกันแหละถ่าไปทัศนาจรนี่คอยได้ศึกษาสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานประกอบกับเรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่จิตปกติแลแ้วจะไม่มีความทุกข์เลย คือมันไม่ยึดมั่นผืมมั่นอะไรอโดยความเป็นตัวกูของกูเอาละอันนั้นว่าเราได้พูดกันอถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเรื่องที่พึ่งอัตตาทีปาอัตตาสนะอนัญญาสน ะ, ะเธอทั้งหลายจึงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสนะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นสนะเลย ธรรมะทีปาธรรมะสนะอนัญญาทีปาอนัญญาสนะนั่นคือมีธรรมเป ma ็นท <t ark> ี่พึ่งมีธรรมเป็นสนะไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะคือมีธรรมะเป็นสรณะธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติเราก็รู้ธรรมะเรื่องกฎของธรรมชาติเราก็รู้ธรรมะเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเราก็รู้ธรรมะเรื่องผล เกิดมาจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเราก็รู้เมื่อเรารู้หมดเราก็ปฏิบัติถูกต้องนั้นทำ ม, มากก็เกิดขึ้นแก่เราคือแก่จิตนะถ้าคาว่าเรานที่หมายถึงแก่จิตจิตนี้ก็หลุดพ้นจากความทุกข์เรื่องก็จบตั้งต้นที่มีความทุกข์แล้วก็จบลงที่ไม่มีความทุกข์หรือสิ้นสุดแห่งความทุกข์เรื่องมันมีเท่านั้น อยู่ในความทุกข์ก็เป็นวัตตสงสารอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีทุกข์ก็เป็นนิพพานอยู่ทั้งวันทั้งคืนอนิพพานมีที่นี่แล้วเดียวเดี๋ยวนี่ได้ด้วยเหตุนี้แม้ว่ายังไม่เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ถึงที่สุดก็เป็นนิพพานตัวอย่างนิพพานชิมลองนิพพานชั่วคราวที่มันคุ้มเราเนี่ยถ้าอนุญาตให้พูดหยาบๆก็จะพูดว่าคุ้มกะลาหัวของเรา อยู่ทุกวันทุกคืนไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นประสาทไม่ต้องเป็นโรคจิตโดยน้อยของนิพพานน้อยน้อยนิพพานชั่วขณะเนี่ยมันคุ้มครองเราอยู่หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์จากธรรมะมีธรรมะคุ้มครองมีนิพพานน้อยน้อยของท่านเองอ่ะคุ้มครองดับเสียจึงไฟราคะโทสะโมหะได้เท่าไรก็เป็นนิพพานเท่านั้นแล้วก็คุ้มครอง แล้วก็เป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีนี่เป็นการเที่ยวไปในทางของธรรมเที่ยวไปในพระธรรมเที่ยวไปในโลกของพระธรรมมันก็จะได้พบพระธรรมจะได้อยู่โดยพระธรรมพระธรรมก็คุ้มครองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นชณะคือมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นชนะการบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้ว ท่านทั้งหลายเข้าใจได้เท่าไรก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างสูงสุดแก่ท่านทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นอาตอมาขอยุติการบรรยายนี่ลงด้วยความสมควรแก่เวล า, อาขอให้ท่านใดมีความกล้าหาญในการที่จะปฏิบัติธรรมะนั่นเป็นที่พึ่งแก่นตนสืบต่อไปอขอยุติการบรรยาย ใครโกรธบ้างเราต้องนั่งกลางดินยกมือใครโกรธบ้างเขาต้องนั่งกลางดินเรือว่าใครโกรธบ้างเราพูดตรงๆพูดตรงๆไม่ไม่เกรงใจใครถ้าโกรธแล้วอย่ามาอีกเป็นอันขาดเลยถ้าโกรธแล้ ว, ลวไม่ต้องมาที่นี่อีกเลิกกันเราเลิกกัน ถ้าไม่โกรธก็ต้องเอาไปศึกษาไปทำความเข้าใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนได้รับความสุขทำแบบนี้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาะเพราะมันเพราะมันเฉยเพราะมันเฉยเพราะมันเฉเะกันกมานานนักแล้วทนไม่ได้ํดำคาญ จึงต้องพูดชนิดที่มันเป็นเรื่องแก้ไขเป็นเรื่องแก้ไขเป็นเรื่องปรับปรุงเป็นเรื่องถูขี้ครกันเลยซึ่งมันจะต้องผ่าตัดอคงจะดีขึ้นคงจะดีขึ้นดีกว่าเมื่อได้ไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ขอให้มันดีขึ้นดีขึ้น อขออะไรมาเที่ยวที่สวนหมกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ดีขึ้นครั้งดีขึ้นดีดีขึ้ น, ด, ด, นดีขึ้นระดับหนึ่งนะมาทวนโมกครั้งหนึ่งเขาอกมันดีขึ้นระดับหนึ่งอย่างนี้ได้ไปเลยไม่กี่ครั้งแล่ะมันก็หมดปัญหาให้เป็นทัศนาจรเพื่อรู้ธรรมะ ไม่ตึกนั้นนะถ้าว่าเข้าใจรูปภาพทั้งหมดนั้นนะรู้ธรรมะเยอะแยะเลยไอ้รูปภาพทุกภาพมันสอนธรรมะข้อหนึ่งเสมอ้มันหลายสิบหลายร้อยภาพซื้อก็อ่านอ่านไปด้วยศึกษาข้างนอกก็ศึกษาศึกษาข้างในก็ศึกษาไปที่ไหนสังเกตเห็นอะไรต้อเก็บมาศึกษา อย่างที่บอกว่าไปเที่ยวข้างหน้าต่อไปนี่ยจได้สังเกตเห็นว่ามีแต่คนหลงส่วนเกินมีแต่คนหลงส่วนเกินเรื่องมันยุ่งไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองม่ตึกนั้นนะมีหนังสือทุกเล่มหนังสือทุกเล่มที่ได้ได้ทำขึ้นที่นี่แสดงเป็นตัวอย่างไว้ที่นั่นเป็นหนังสือ ใครสนใจก็ไปดูไปดูชื่อหนังสือก็จดชื่อไปหาซื้อเ อ, เองค่ะสนใจที่กรุงเทพมีขายรวมอยู่ <C> แล้วก็ไปที่โรงพั้นตุ๊กตาตรงนู่นเขาทิ้งทิ้งมาทิ้งบุรีทิ้งเล่าหรือค้องทุกอย่างที่ควรจะทิ้งที่ตรงนั้น ไปดูแบบบุรีเป็นกองคนเดินนาทกันทิ้งก็ให้จุกาตาใช่ไหมในทุกาตาเป็นที่ระลึกเตือนใจเมื่อทตรงนั้นมีสะใหญ่ๆมีต้นมะพร้าวอยู่กลางสะต้นหนึ่งนั่นสอนว่าจงดับทุกข์ที่ความทุกข์มีความทุกข์ที่ตรงไหนจงดับที่ตรงนั้นต้นมะพร้าวนี่เหมือนกับ น, นิพพานไอ้น้ำนั่คือความทุกข์ นิพพานอยู่กลางน้ำกลางความทุกข์แต่นิพพานไม่ใ่ความทุกข์มันดั บ, ท, ดบดที่ตรงนั้นแหละมันดับเที่ตรงนั้นหละมันก็ไม่มีความทุกข์อยู่ที่ตรงนั้นเอนิพพานอท่ามกลางวัฏฏะสงสารมีความทุกข์ตรงไหนก็ดับทุกข์ที่ตรงนั้นไฟมันลุกขึ้นที่ตรงไห น, นก็ดับมันที่ตรงนั้นเ <c oughs> มื่อไฟมันติดอยู่บนศีรษะเรามันก็ต้องดับบนศีรษะเราไง ถ้าไฟมันมาอยู่ที่เสื้อผ้าของเราก็ต้องดับมันที่เสื้อผ้าของเราอย่าไปทุกที่บ้านแล้วดับที่วัดแต่มันดับไม่ได้ <c oughs> ความทุกข์อยู่ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านจะมาดับทุกที่วัดอย่างนี้มันมั น, ม, นมันไม่ดับได้มีความทุกข์ที่ตรงนัน้มันก็ดับที่ตรงนั้นนี่เรียกว่าสวนโมกจัดขึ้นมาเพื่อสะดวก แกการศึกษาธรรมะทุกคนต้องศึกษาเองรู้เองปฏิบัติเองเราให้แต่เพียงความสะดวก <c oughs> อย่างน้อยก็สะดวกที่จะนั่งกลางดินที่อื่นไม่สะดวกที่จะนั่งกลางดินที่บ้านคุณคุณนั่งฟังเทศบนโรงธรรมไม่ได้นั่งกลางดินใช่ไหมนี่คือโรงธรรมของวัดนี่คุณนั่งกลางดิน จะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยง่ายโอ้ท่านประสูตรกลางดินจัดสรุกลางดินซ้อนกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดินอั น, นี้มันง่ายดีถ้าชอบแบบนี้ก็ไปช่วยกันสร้างที่นครรชาชสีมาให้เกิดวัดอย่างแบบนี้ขึ้นที่นครรชาชสีมาจะจะง่ายจะสะดวก เหมือนกันที่นี่มีไหมวัดแบบนี้ที่นครราชสีมาทำไมไม่ช่วยกันเล่า อ, อย่าอย่าตัดต้นไม้ที่หมดที่ก็รักษาต้นไม้ว่ามันเป็นธรรมชาติช่วยกันหน่อยให้มีวัด ที่มันคล้ายกับวัดของพระพุทธเจ้าในครั้องพุทธการนี่เราศึกษาเรื่องในพระบาลีรู้พอใจรู้ข้าวรู้เงื่อนว่าวัดในครื่องพุทธการมันอยู่กันอย่างไรแล้วก็ทําตามนั้นวัดครื่งพุทธการต้องอยู่นอกเมืองนอกกําแพงเมืองกลางคืนไปมากันไม่ได้อืสวา่างเขาจึงจะเปิด ป, ประตูเมืองวัดจึงจะพระจึงจะเข้ามาบิณฑบาตในเมืองได้ <c oughs> แล้วอยู่กันอย่างธรรมชาติอนะ่ะวัดป่าอยู่นอกเมืองที่นี่มันมีการก่อสร้างจนเสียความเป็นป่าไปมากแล้วเหมือนกันข้อนี้มันจําเป็น <c oughs> คือแขกมาแล้วไม่มีที่พักต้องสร้างที่พักหลังใหญ่ๆกันเสียความเป็นป่าไปละมากเหมือนกัน แต่ก็ยังรักษาความเป็นป่าไว้ได้มากอยู่คุณดูก็แล้วกันถ้าขึ้นไปดูบนภูเขาได้นะก็จะเห็นว่ารักษาไว้อย่างยิ่งนุ่นยอดภูเขาเนี่ยใช้เป็นโบสถ์